สีลังกาเพศที่เป็นพุทธศาสนากายทีละวาดว <c oughs> ันเสาวันอาทิตย์ทักเดียนนุ่งเสื้อผ้าสีขาวกันเพียบขับงเกงขายาวเชื่อเสื้อแขนสาม่วน นักเรียนหญิงเดินถนนเส้นหนึ่งนักเรียนชายเดินถนนเส้นหนึ่งไม่ค่อยเห็นใครขี่มอเตอร์ไซเวลาไปวัดรีบไปจองถ้าจะมีการกิจกรรมอะไรงานประเพนีงานสำคัญในพุทธศาสนา ไปฟังเทศกัน ไ, ไปจองที่นั่งเขาผ้าเขาวขาไปปูไว้ก่อนส่วนมากเป็นอุบาสิกาดะตั้งข้างหน้าจะไปจองที่ไว้ จากเราก็เป็นประเทศพุทธศาตสนาบางทีละวาดนีวัดพระอารามสี่หมื่นกว่าวัดหรือวัดป่าข้าร้อยกว่าวัดเก้าพัดกว่าวัดปสงให้ดูข้าวหวา สามแสนสี่แสนลูกออกกัญชาแล้วก็เลือน้อยเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอุ้นส่วนในพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดมากเกิดผลให้พุทธศาสนาเจริญถึงที่สุดคือมากคือผลอยู่ในหวกดูในตัวคนคนไม่ทำศาสนาก็เจริญไม่ใช่เจริญด้วยวัดมากมากพระสงฆ์มากมากวัดใหญ่หญโ ต, โต เลีอ้อันอลอมช่อฝ้าใบลักกาเลี่ยมยรูประยะมันก็ไม่ใช่สาสน์เจริญอยู่ที่คนคนมีธรรมสลาบาบมีความบริสุทธิ์อยู่ที่คนอยี่กับจึงอื่นอกจากตัวเรามีเมตตากรุณาต่อสรรพชิง แสดงออกตั้งใจกรรมไม่กีกรรมมโนกรรมส่วนตัวสละบาปราคะสละบาปกุชนออกจากกายใจสนุกดีปล่ อ, อยวางจะละอะไรก็ไม่สนุกเท่ากับสละทุกออกจากชีวิตออกจากกายจากใจ เป็นเพื่อที่ลอยทุกข์ได้สะดวกที่สุดลอยทุกข์1อยบาปได้ง่ายกว่าอย่างอื่นส่วนการเก็บไข่เด็กป่วยอันนั้ก็มีบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามมาช่วย แต่การสละบาปสละทุกเนี่ยไม่มีใครช่วยมีแต่ตั ว, ตวเองจึงสนุกจึงสะดวกที่สุดจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินทำได้ทั้งนั้นมารูปแบบไหนทำได้ทั้งนั้นเราฝึกไปแล้วมีศีลช่วยมีสมาธิช่วยปัญญาช่วย มีพระพุทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์โยยะหลุดง่ายที่สุดจารปล่อยวางนง่ายกว่าการยึดบั่นถือมันยึดไม่ได้มันหนักวางแล้วมันเบา มันเย็นมันหยุดมันเย็นยึดสมมันหนอกมันทุกข์มันเดือดร้อนจำนานในการปล่อยวางยึดของเรานี่โล ก, ลกนี่ก็เกิดขึ้นเพื่อให้การปล่อยวางยึดไม่ได้เก็บปวดเหมือนรถไฟจะวิ่งไปดึงรถไฟไว้แล้วก็ลากไป เขียนตายทาไมวางโลกนี่ก็ยืดไว้ไม่ได้โลกคือสังขารร่างกายโลกคือรูปรสกลิ่นเสียงโลกคือโอกาสโลกโลกคืออุปาทานยืดไม่ได้ไมีแต่ปล่อยวาง มีไว้ให้ปล่อยวางแใครขึ้นไปยืดเดาก็เกิดแก่เจร้าเกิดดับเกิดดับเกิดดอกีแต่ทุกข์นตนนั้นตั้งอยู่กับชีวิตทัต้งชีวิตเราจะดับก็ดับทุกข์ตนนั้นเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันเตรียมพร้อมรึกหัด เพื่อํำนานทางเพื่อเรื่อนนี้โดยตรงชีวิตของเราเกิดมาเพื่อการนี้เหมาะที่สุดกายใจของเรามีมือห้านิ้วจิบนิ้วมีคำพูดมีสมมติ บัญญัติมีปรมิสัจะที่ใช่เป็นจึงส่วนเกี่ยวข้องกับทุกสรรพจริงเพืให้เข้าใจกัน่กับพูดกำจ่าสติกาคือความรู้สึกตัวนี้จะพูดสื่อสารกันได้รู้สึกตัวหมอย เอามือไปเคาะดูรูบจึกตัวไหมเอามือไปจับมือกันลูบสึกตัวเนอะลูบจึกตัวนะหวนะเหมือนพ่อแม่ปลุกลูกจับขาจับแขนก็ดซอกกัดซุกลูบสึกตัวเตื่นลืยงเตือนรือยั ง, ร, ยงรีบๆหน่อยรีบหน่อ ย, รอยเรามันเราจริงก็จับลูกกันมาปลุกให้มันตืน่น ไม่ตื่นไม่ยอมเดี๋ยวไฟไม่บ้านลากออกไปวางนั่นบางคนก่อนอื่นปลูกก็ช่วยได้แต่ถ้าเราเอาใช้แต่คนอื่นปลูกคนอื่นบอกแล้วก็ยองใช้ไม่ได้ต้องปลูกตัวยังให้ตื่นนเสิติอยู่ในกายเป็นประจำ การเป็นประจำกุศงเขา้าเหยียดขันดอกให้รู้จึกตัวกุศลให้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้สนานาญในความรู้สึกตัวให้ออกหน้าให้มาไหวไหวให้ความรู้สึกตัวมาไวไหวมาก่อนความหลงมาก่อนความรักความชังมาก่อนความสุข ค, ความทุกข์ก็ไม่ มีสติปลุกอันอื่นมาก่อนหิ้วไปก่อนต่อเห็นโลกพอใจไม่พอใจหูทียินเสียงพอใจไม่พอใจมันไปง่ายไปทางโลกมันมีลดชาติโลกมันมีลดชาติสัตว์โลกก็ติดรสติดชาติของโลกมันปลาติดเบ็ดมันก็ไม่รู้จบวาง ไมจะกลัววิ่งเข้าใส่ถ้ามันติดเราวิ่งเข้าใส่ได้ทุกรูปแบบความชั่วก็วิ่งเข้าใส่หาความชั่ววิ่งหาขับรถจีบล่ออยู่ตรงเลยอย่าบ้าอยู่บ้านท่าไปหวานขับรถจีบล่อไหมเอายาบ้าบ้านท่ามาไปหวานสามารถขับรถจีบล่อวิ่งมาเอายาบ้าเม็ดหนึ่ง ได้งัดไว้เคสอนคนกินยาบ้าใช่ไมยี่บปีก่อนมาบวชก็เลิกได้ก็จะเชื่อรถเจ็บรองให้ มากๆพอตาก็ยืดลดขึ้นไปพอเลอกต่อยพอตาลดขึ้นมาสูงดูนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขตรงเขนกันลองทางก็ช่วยกันที่คิวิตของพวกเราไปช่วยกัน ช่วตัวเองได้กว่าช่วยคนอนื่นมันเห็นเป็นทางกัเองจนเราทุกข์เห็นคนอื่นทุกข์มันเห็นใจกันมากๆเราเคยทุ ก, ก, กข์หลงในทุกข์กเพราะสิงที่เคยทุกข์คนอื่นก็ทุกข์ในสิ่งที่เราเคยทุกข์ทำไมเราจะไม่รู้ทิ้งกันไม่ได้จะให้มันทุกข์ก่อนจะไปช่วยมันก็สายบ้างแล้ววันที่ก็ ช่วยได้บางทีก็ช่วยไม่ได้เล่นห้ามคนสบู่หรีอายออกก็ค้นแก่เป็นครูกรเกษียณคุยกันก็าสบู่หรีก็อายอยู่แค่นั้นก็บอกให้เลิกนี่แหละมันสบู่หรีนี่แหละเหตุที่มันอายอยู่นั่นแหละ เหตุที่นี้ที่บุหรีมวนนี้มันใช่อันดึนดอกเลิกซ้างโบเลิกก็ได้รอกล้งค อ, อเขาเถ้าเจ้าเราสร้างหัวมันตอตายสร้างหัวมันตอมันเลยติดจังที่แล้วบางทีมันก็เลิกไม่ได้เสียสละชีวิตเพื่อบุรีมวลหนึ่งมันติดมากๆก็ เอาม่อยู่ <c oughs> ชัยก็ช่วยไม่ได้เราจะมาหัดช่วยตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุม่มจเรอให้เท่าไว้แกให้มันเสียมากๆจะไาช่วยมันกน็ก็ยากบางทีมันเป็นลอยลอยบาบ เป็นกรรมโลกปอดโลกตับโลกอะไรต่างๆหลายอย่างที่เป็นเหตุจากการกระทาของตัวเราเองยิ่งทุกวันนี้ต้องต้องจัดเกณฑ์แม่นยำกับปัใชชีวิตให้มากๆ ม, มีธรรมเป็นเกณฑ์ขี่วัดตัดเงใจด้วยความถูกต้องเอาไว้ เป็นหลักฐานมีหลักมีฐานธรรมะเป็นหลักแหลง่งหลักฐานของชีวิตไม่ใช่ซื้อจิ้มเงินทองคนมีหลักมีฐานไม่ง้อนเงีน้นขอนแข็งกับโลกความรู้ของโลกคนมีหลักมีฐานว่ามาไล่เป็นดีมาผิดเป็นถูกหลักฐานคือ สิ่คือธรรมถาคนไม่มีหลักฐานเาเดินทาก็แฝงลงโอดินเสริญก็ฟูขึ้นคนไม่มีหลักฐานทางจิตวิญญาณก็มีหลักฐานทางกิตวิญญาณโอดินทานเสริญไม่หวั่นไหวเหมือนผู้เข้าสิลาจังทึบไม่สะเทือนเพราะหลมฉันใด ผู้มีทํามเป็นหลักฐานไม่หวั่นไหวเพราะนิยธรรมเสริญฉันนั่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ภาพาะไลายเร็วง่ายเป็นนุ่นเป็นข้าวรีบรีบศึกษาให้มีหลักฐานมั่นคงเข้าไว้แน่นอนคือแก่เก็บตายเตรียมพร้อม ทำได้แล้ววันนี้ถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกมีโอกาสแก่เจ็บตายตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วถ้าหลงลู้ทุกคือรู้เปลี่ยนทุกเป็นรู้เวียนหลงเป็นรู้เ ป, เปลี่ยนอะไรเป็นรู้นี่จะเหนือกาดเกิดจะเจ็บตายไปทางนี้ไปเดี๋ยวนี้เดินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อแก่เท่ารอวันแก่วันเก็บ จึงจะไปอดไปทนไปทำไม่ได้เลยมีโอกาสแล้วเดินไปไหนมาไหนพอช่วยตัวเองได้เดินไปกินข้าวได้มาหลับมานอนมาช่วยเรียงกลางหน้าแปรงฟันได้รีบใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตัวเราม่เพื่อนมีมิตร ช่วยกันการนี right. Right ่โดยตรงอย่าทำให้เกิดผีเพี้ยนไปเรื่องอื่นมาตรงตรงมาเสถตรงตรงนี่ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกนาทางนี้แหละตรงทุกที่ใดก็ออกจากทุกทุกทั้งผิดมาทำดีตรงต่อความดี ขั้มหลง่มในตงความไม่หลงตรงตรงทุกเวลาดีทุกเวลายา ก, กับกายกับ ใ, ใจเราหนี้มีสิทธิ์ดีมีสิทธิ์ตรงในทุกรูปแบบมีปฏิบัตดิดีปฏิบัติตตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันเืดอยัดผูกขาดขี้ขาดส่วนตัวส่วนตัว ถามันสวนตัวฝ <c oughs> ึกเอาไว้อาตราว้ยมีให้ฝึกหัดมีบทฝึกหัดเยอะแยะมันแสดงมาทั้งกายทั้งใจประตูเข้าประตูออกของโลกมีเยอะ พ่อไหวให้ดีดูให้ดีมีอมนาจเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่ในกายในใจต่อไหวขี้ขาดตั้งไหวก่อนอยู่ไหวก่อนเมื่อเก้าอี้ใบเดียวนั่งไหวก่อนนั่งไหวนั่งไหวรู้จึกตัวไหวรู้จึกตัวไหวกัแบบรู้จึกตัวเองอยู่ในตัวมันเอง ในใจก็มีความรู èn, ứ, ến, n, ้จึกตัวในกายก็มีความรู้จึกตัวเวิดฝึกหัดก็แสดงว่เราเรียนหนังสือหัดเขียนหัดอ่านหัดดูว่าเรียนได้แล้วทำได้แล้วมันก็อยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดตัวีก็เหมือนกันแสดงได้เลย การนั่งเพื่อเป็นเวทีของการแสดงของสติมันก็รู้อยู่ที่นี่มันก็หลงอยู่ที่นี่ในความหลงกับในความรู้อยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> ใจความรู้รู้แบบความหลงมันสะดวกกว่าการอันอื่นปฏิบัติทำหน่อย เราชั่วทำดีมันง่ายที่สุดสะดวกที่สุดทรเกิจตบริสุทธิ์สะดวกที่สุ ด, ส ด, สดแต่มาหากยากเราความชั่วเยยากทำความดีได้ไม่ได้เลยก็มีอดทนข้ามวันข้ามคืน ผมช่วยเกิดจากอารมณ์ที่กิดเดี๋ยวใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมให้ัดไปมันก็มีโอกาสหนาแน่นหรือว่าปุถุชนปุทุไปว่าหนามืดแสดงออกอ่างนี่แต่ความมืดปุถุไปว่าหนา ไม่มีธรรมวิญญาสองสว่างสวยมนุษย์เห็นแก้งเห็นตรงกันข้ามห็มหลงเห็นรู้เหทุกข์เห็นไม่ทุกข์เหนสว่างสวัยอย่างนี้มันหลงไม่ได้มันทุกข์ไม่ได้มันชั่วไม่ได้ยิดเพื่อกนันนี่เราจึง เป็นสมบัติของเราจริงๆยืดเราเกิดมาเนี่ยธรรมะคือสมบัติของเราอหลักฐานของเราต้องหาใครหาตัวเองช่วยกันไม่ได้ทำเองปฏิบัติเองสัมผัสเองละเองมีเองค้นเองจริงเดี๋วนี้มันน่าจะสะดวกง่าย ไม่ได้ขอร้องสิทธิร้อยปเปอร์นวลามันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธร้อยเปเซนตวลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ร้อยปเปร์เซนวของเรานี่มันสะดวกเรื่องนี้ที่ว่ามนุษย์สมบัติเลือกได้ วาชนาคือเขียนลไปได้แต่งได้บุญคือจะไม่ดีได้มาลา่เป็นดีสร้างบุญในครวงไม่ดีบุญเกิดขึ้นจากบาปมกุศลมันบอกปิดบอกถูกมันจึงสะดวกในทัวนเองหนามยอกหนามบง มาใช่ปรปหาอันเดืนดมาเป็นวัตถุประกรณ์เครื่องมืออะไรจะรู้จักใช่มีสติมีสมชญญะให้มีพลังหลายๆอย่างอล่อพลังงานช่วยตัวมันเองศรัทธาพละเป็นพลังความเพียรเป็นตรลหัง สติเป็นกำลังปัญญาเป็นกำลังสิ้นสมาธิเป็นกำลังทิ้งก็มาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยศรัทธามาช่วยไม่งอนงอนขอนยันไม่หวัน่นไหวไม่ทอดทิ้งเป็นสรัทธามัน ที่มันคงอพอเปิดดีแล้วทำไม่เปิดก่อมีปัญหาเยอะแยะคิดของคนนีองูบรถกินเฉียงเอะรมต่างๆรถของโลกอิทเทอน็ตเสร็จสุดทุกมีอยู่ในโลกส่วนโลกเกิดมาต้องถึกต้องอยู่ในอนํานาจของสิ่งเหล่านี้ข้องามไว้อยู่ ปฏิเรไม่ได้นินทามีสนเสริญมีสุขมีทุกข์มีเสื่อมราบเสื่อมยศมี เ, เจ็บเจ็บตายมีถ้าเราไม่ฝึกมันก็มีแต่ภัยถ้าฝึกกับพ้นภัยไปชีวิตี่ไม่มีภัยเรียกว่าพระอายะเจ้าพระอายะบุคคล ผู้หนีไม่มีภัยไม่มีค่าศึกบาปได้หมดแล้วก็ศึกที่เกิดกับกายกับใจบาปได้หมดแล้วไมต้อคุณนักธรรมตาเนื้อตาในกายนอกกายใด มักสร้างขนเป็นอุปกรณ์การสร้างมักสร้างขลรูปทำ น, าน้มทำนี่ถ้าเอามาสร้างมักสร้างผลก็ต้องไปชูไปสูญเสียเปล่าไปเฉยๆตอนเกินล่วงไปล่วงไปมันแก่มันเจ็ บ, ม, จบมันไปเรื่อยๆ จึงมีเวลาเพื่อให้เราใช้เวลามีให้เราได้ใช้เพื่อความจนานาญเวลามีไม่ใช่เลยเพื่อความหลงใช้เวลาเพื่อความรู้ไม่เกิดความจานานและความรู้มีลมหายใจมีแผ่นดินยาการยาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมีหยุบไปหยา รักษาโลก ใ, ให้เจ็บตามสถานะเวลาไม่มีโลกก็อย่าประมาทมีแน่นอนโลกที่เกิดกับชีวิตของเรานี่รวมมวอเที่ยงรวมเป็นทุกข์คงมไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะ ทุกที่มันมีอยู่เวลามาแสดงมาอย่างหนักถ้าเราไม่พึ ก, ก็จะไม่รู้จักวิธีการเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์วัดภาคจากของรักของชอบใจมาเป็นทุกข์ ทำไเกิดท ja e ุกข์พอจึงเรานีได้เสี่ยวเโอกาสเสียผู้เสียคนเยอะแยะปัญหาที่เกิดกับชีวิตของเราเนี่ภัยที่เกิดกับชีวิตของเรานี่จึงชวนกันเราจะดีคนเดียวไปตด้ชวนกันดีอยู่ด้วยกันในงดงามเหมือนกัน ผู้มีฉินอยู่ในผู่ผู้มีฉินนก็งดงามผู้มีฉินไปอยู่ในหมู่คนผานก็ไม่งามมันอยู่ไปได้อาจจะเป็นภายอาจะมาชวนกันดีไปด้วยกันจับแขนกันไปชวนกันไปอย่าปลยกันทิ้งเราอยู่ที่นี่มันวัดเมืนกว้งใหญ่ ก่างไกลกันให้จับคู่ดูกันทุกวันเห็นกันทุกวันคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคนเดียวขนหายสองคนเพื่อนเล่ตาต่อยสามคนกลับบ้านได้ถ้าสามคนเนี่ยดีจับคู่สามถ้าสองคนเนี่ยคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งยดูแลกันเถอะจะไปเรียกคนอื่นหายามาช่วยไม่ได้ปล่อยกันไม่ได้ เช่นเคยไปจ้างเรือนถากไม้ถากเสาด้วยกันขวนถือขาคนหนึ่งโลงให้ไปช่วยกันโลงบิ่งไปเลือดดิ้งเหมือนเกิดเยี่ยวเลือดเลือดเหมันออกถูกเส้นเลือดต้อไปกรำมไ่ต้องไปปิดไปเอาเบอรวางออกจะไปกันดิ้งหนัวทำงานสองคนหนึ่งออกทิ้งกันไม่ได้เลย เรียกอีกหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เอ า, ยาหาายอกใบกับใบสาบเสือมาใส่น้ากับชวะก็ย้อไปใหญ่ปิดลงไปปิดลงไปกดลงไปถามกันเขาวานนี่สามคนกลับบ้านได้ปลอดภัยถ้าสองคนเนี่ยเพื่อนล้มตาย จับคู่สามคนสามชีวิตให้เห็นกันทุกวันแล้วก็บอกกัน <c oughs> เราจะไม่ทอดม่ทิ้งกันเป็นมิตรกันแล้วยาานะมิตรเมื่อเวลาเจ็บก็หายเจ็บเมื่อเวลาทุกข์ก็หายทุกข์ได้พอสมควร่าเป็นจัตรูกันให้เป็นนันเดียวกัน ตัวคนเลาความชั่วทางความดีเห็นดูขันใจกันหายใจเข้าหายใจออกนลยน่าสงสารปัผ้าเหนใหญ่ใหญ่มันหนาไม่เหมือนนุชเหมือนไก่เหมือนหมูเหมือนหมานุชนี่น่าสงสารมากอยู่กับกันก็เจ็บตายไปก็เหน็บกัด สีเดือนห้าเดือนเรายังรักษาไม่หายเราจึงน่าสงสารที่คือมนุษย์คือคนเราน่นี่มันน่าจะเบียดเบียนกันไม่ทำลายกันไม่ก็เจ็บปวดอยู่แล้วไปทำลายกันให้เจ็บไม่ปวดไปตีไปฆ่ากันทำไมเบียดเบียนกันทำไม มีทำแสดงออกไปไม่เมตตาคุณาต่อกันละกันแสดงมากับตัวเองเสียสละสละบาปออกสนุกเสียสละสนุกเมตตาคุณาไม่ขาดแคลนเรื่องเมตตาคุณาต่อสรรพสัตว์นสงสารเม็ดหินเม็ดตินเม็ดจายเห็นใบไม่ร่วงก็ยัง หน้าสงสารอยู่เขาเสียเฉลอะใบไผ่ล่วงลงามาตั้งท้าเดีมันก็ลักใบของมันถ้าเอาไว้ไม่ได้มันจะตายเสียเฉลอะใบไ ม, ไม้บางต้นเสียเฉลอะหล่นลงมถ้ามันจำเป็นก็อย่าไปกวดมันินถนนเาะเดินเหยียบใบไม้เนี่ยมันดีนะ กวาดมนะันก็บาทีมือนลูกกวดลูกหลังดินฝุนออกจากถนนถ้าปีหกปีได้อัดทีหนึ่งอีกไปกับไม่กวดไม่กวดเฉ่งเฉงฝุ่นทุ่งไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดนะีเดินเหยียบไปไม่ก็ดีนะอยู่ก็ทธรรมชาติที่มาง ตากเปนี้งคงว่าทำมาใหา้อย่าไปกวดมันใบไม้ในป่าเดี๋ยวมันจะไม่ออกเข็ดให้กินมีประโยชน์มันคืนมันเวียนคืนดูดกินเป็นน้าเป็นปุ๋ยอินชีววัตถุเลี้ยงดำต้นหล่นว้ลงมาปกคุมผืนดิน อยิ่นใีก็ย่อยไปไม้ขายเป็นปุ๋ยมันก็จิ้นขึ้นไปหมุนเวียนไปเนียถ้าไป้ัวไปเผามันชะอย่าไปเผาไฟได้ดูนี่ก็ดูกระเสแห่งไยป่าบ้างยังมีป่าอยู่มากในะวัดเรานะ่ยหญ้ามีอะไรอยู่มันก็ไปตอนเช้าก็ไป ไปดูทุกวันนั่งรถตบวอมไปดูไอ้ถางตัดถมไม้ที่มันพันต้นไม้หาวิธีที่ช่วยต้นไม้แล้วก็หมดเลี้ยวหมดแรงเดี๋ยวนี้ยากา็จะน้อยลงหมดไปต้นไม้สู้ได้ยังมีเถาวัลย์อยู่แข็งแกร่งคุมต้นไม้รัดต้นไม้ว่าป่า แฝงหนึ่งนี่เขาขึ้นป้าของหมหาวิทยาลัยชจมาปลูกป่ามาปลูกป่าดันเขามีป้าที่นั่นน่าจะชวนนักศึกษาหมหาวิทยาลัยราชพัตรออกค่ายเยี่ยมป่าเขาที่เขาปลูกไว้ห้าปีหกปีเจ็ดปีก่อนมันขนาดไหนเขามาแล้เขาม า, า, มาออกค่ายที่นี่สี่วันห้าวัน เอาไม่มาถางเคลียมไม้เถ า, ไ ม, าไม่ออกจากต้นไม้ <c ười> คิแล้ว <c ười> เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เมตตาไปตะพึตะเือช่วยอ น, นั่นช่วยอนนี้ไปมันสนุกดีมันเหนึ่งได้เป เชื่อตอน้นไม้ต้นหนึ่งสองต้นก่อมีความสุขไปเผยเมตตาจุดต้นไม้ที่มีรังพึ้งจะไปเจตตาจะตั้งบาัอย่าได้มีเ้นต่อกันกันเลยแล้วก็มาอยู่นะลันรักขบวยไปสองสมหลั ง, งแล้วเดินไปเยี่ยมทุกวันเป็นเพื่อนรังพึ้งทุกวันตอนเชา้าท่าอยู่ มาเดินดอนั่งโรกอปไปหวานก็สนุกเดินในป่าด้วยลืมเวลาฉันข้าวไปยิ่งสละทุกข์ออกจากชีวิตนี้สนุกมากมากเลยอยากเห็นมันทุกอะไรมันจะมาเมือไห น, น, นอยากสละมันอยากสละทุกอยากสละความไม่ดีที่เกิดกับกายกับใจนี้ มันสมน้ำหน้ามันจริงๆนะีเราได้สำระาปออกจากชีวิตจริงมันเป็นงานชอบที่สุดเลยเป็นบุญที่สุดเป็นมรรคเป็นผลที่สุดล้นลนเย็นลงทันทีหนักเบาลงทันทีเลยวางนี่มันเบาเป็นเย็นวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ นิพพานคือทำอย่างนี้พระ น, นิพพานทำนั่นสลดัดปล่อยวางปยวางวางใจวม่ใช่วางมือมือยากอุ้มลูกกุมหลานอยู่แต่วางใจวางใจมันกระทกุกระเทือนกับขใครอย่างเน่นหนาะอย่างมั่นคงวางใจนี่มันใยความรักความเมตตาหนาแ น, น่นถ้าใจไม่วางมันไม่ความรัก พมดหายไปความเมตตาหายไปเกิดความโกรธมาแทนคิดชั่วพูดชั่วจะแต่งออกในความไม่ดีแต่วางใจมันจะแต่แงออกในความดีวางแล้วมันดีทิ้งแล้วมันดีแม้แต่เจ็บไข้เด็ป่วยวางในมันทิ้งมันซะหายยากไปได้กว่าทิ้งมันซะไม่ต้องเอามาหลอกไม่ต้องหายมาหลอกใจไหนะ ตอบมันดับมันลงเราทิ้งมันซะทิ้งเลยได้โอ้ยกดตายกดตายเสร็จเลยเสร็จเลยวางทิ้งนะพอาวางเรามันก็อยากเวตายเราอย่างว่าหายก็หายไม่ได้อีกวางทิ้งก่อีกทิ้งมันไปอีกน่ะมันดีอุปทานขันทั้งงานยึดไมได้ยึดเลย แฉะเจ็บตายแ น, น่นอนไม่เหลือเลยแต่หวังมันกลายเป็นความดีแตหวังใจเนี่ยนะถ้าหวางนะมืออาจจะไม่ดีนะอุ้มลูกอุ้ ม, มหลานทอดทิ้งก็กลัวมไม่ดีดูแลหวังใจมันรับผิดชอบสูงดูแลอะไรก็มักจะดีถ้าใจไม่หวางอะไรก็ไม่มีน้ําใจละ น้ำแห้งแอ้งเข้าขอะหันแหลงแกงขาดโม่ป้าใจมันไม่หวางมันมีน้ำใจจะทำให้ใครกินป้าใจมันยึดล้วไม่มีนม้นมใจจะมาช่วยใครหน้าบดหด้า ง, งอ อ, อยู่น่นรู้สึกก็เกิดความเดือดร้อนทุกข์จนหนค้นแค้นขึ้นมา มอยมีบรรยากาศตีท้าใจไม่หวังท้าหวานใจละมันสุวันเลิ่บลื่นทุกสิ่งทุกอย่างมองนนแยด่ดีดีคิดเนี่ดนด่ดีทำานแง่ดีดีเป็นความสุขเสื่อมเหมือนเนอะของชีวิตอยู่ที่ในเป็นที่ลาบลื่ม อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นก็ว่าได้ต้นสอนตอนน้นเอาไว้อย่าประมาทในความหนุ่มความสาวอย่าประมาทในความไม่เจ็บค่าเด็ป่วยแล้ว ถ, ถึงเขาเจ็บค่าเด็ป่วยมาจะทำยังไงหวานเป็นไหมหรือจะลองเก็บเป็นเก็บ หัดงเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวหัดฟางไปอย่างนี้เด็กไดาน้อยเปอย่างนี้แล้วมันจะใหญ่โตขึ้นมาปล่อวางยิ่งใหญ่ขึ้นมาหลุดพ้นเลยไม่มีหลือเหลือดอกไม่เหลือสิ้นบทสิ้นชาติ ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเอ